Book 2 81ป1สิบเอดอตินเดสเวียอดีตการ์นหนึ่งบาเนเวียเขียนรักสติเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ วิ่ง rakstīja แ ē s t u ล i และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบวัวิรักตียสกา์ตอ่า น, านลซเขาได้อ่านนิตยาาสารหนึ่งฉบับวิลซอล แ, ลและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม วิลีหยิบเย่ท์เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนวินปเปนเยมาซิกาเ ร, รตติเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิน้นวิปมากาบลิญช็อกโกลตสเขาไม่ซื้อสัตว์แต่เธอซื้อสัตว์ Viņš b i j บ n e u ์ t i ื ī g s bet viņa bija u z ว i c ī g a บ a u k ī อุ e ติ๊ t ซีก้ a เขาขี้เกียจแต่เธอขยันวิ่งช์เบียร์สลิงส์เบ็ดว r r ญาเบียร์ช็อกลาเขาจนแต่เธอรวยวิ่งช์เบียร์นับดิ๊กสบวิบบาตเขาไม่มีเงิน มีแต่นี่ viņam n e b บ j a naudas, bet บ i j a บ a ย ā d i ดเขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย viņam n e b บ j a l a i เ e s bet bija nelaimes เขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลว viņam n e b บ j a panākumu, b e บ bija neveiksmes เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจเ เ, เ, เขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เ์ เ, เ, เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร วิ่งช e เนบีเอ้ซิ t i s k s bet สแต่เบียเนซิมบัต